เอาน่าอย่าซสีเรียกเรื่องทำดีเมื่อใดก็เลิกดีเมื่อนั้นชายคนหนึ่งไปหาพระอาจา ร, รย์ท่านถามว่า มาทุระอะไรเขาตอบว่ามหาเริกขึ้นบ้านใหม่ครับหลวงพ่อท่านถามว่าบ้านเสร็จแล้วหรือยังเขาตอบว่าเสร็จแล้วครับท่านถามอีกว่าบันไดละ่ะมีแล้วหรือยังเขาตอบว่ามีแล้วครับท่านจึงบอกว่า ถาเช่นนั้นขึ้นบ้านได้เลยนี่แหละเริกดีแล้วไม่ต้องหาอีกแล้วละ